ปัจญนยะสองสังคยาวาระสุทไนร้อยสิเหตุปัจใจมียี่สเอดวาระณอารมณะปัจจัยมี่สอดวาระณอธิปติปัจจัยมี่สเอดวาระณอนนตระปัจใจมียี่สเอดวาระณสมณันตระปัจใจมียี่สเอดวาระณสหชาตปัจใจมียี่สดวาระณอัญญมัญญปัจใจมียี่สบเอ็ดวาระ นานสิยปัจจมียี่สิเอดวาระนอุปาเนสยปัจจมียี่สิเอดวาระนปุเรชาตปัจใจมียี่สิเดวาระนปัชาชาตปัจจมียี่สิเอดวาระนอาเสวนปัจใจมียี่สิเอดวาระนกรรมปัจใจมียี่สิเอดวาระนวิปากปัจจมียี่สิบเอดวาระนอาหารปัจจมียี่สิบเอดวาระนอินทรียปัจจมียี่สเดวาระ ณชาณป offering, ัจจัยมียี่สิเอดวาระนมัคคปัจจัยมียี่สิเอดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมียี่สเอ็ดวาระณวิปยุตตาปัจจัยมียี่สเอดวาระโนอัติปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระโนนธิปัจจัยมียี่สิเอ็ดวาระโนวิคตาปัจจัยมียี่สเอดวาระโนอวิคตาปัจจัยมียี่สเอดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจจ尼ยะจบ สปัจญานุโลมปัจญิยะเฮตุทุกนายร้อยสิบสณอารมณ์ปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีสิเอ็ดวาระณอธิปติปัจจัยละถึงมีส1บดวาระณอนันตระปัจจัยมีสิบเดวาระณสมนันตระปัจจัยมีสิดวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาเนสยปัจจัยมีสิบเดวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสิเอดวาระ นปัชชาชาตะปัจจัยมีสิอดวาระนาอเจวนาปัจจัยมีสิอดวาระนกรรมะปัจจัยมีสิเอดวาระนวิปากะปัจจัยมีสิเอดวาระนอาหาระปัจจัยมีสิอดวาระนอินทรียะปัจจัยกะเพรุปัจจัยมีสิอดวาระนาชานะปัจจัยละถึงมี11วาระนามัคฆะปัจจัยมี11ดวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ นาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนนัธิปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบเอ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมปั จ, จนิยะจบสปัจญยะปั จ, จนิยานุโลมนาเหตุทุกขใน 115. ร้อยสิบห้ารามะณะปัจจใจคำนาเหตุปัจจมียี่สิเอ็ดวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระ อนันตระปัจจัยมีสิบเจวาระสมณันตระปัจจัยมีสิบเจดวาระสหชาติปัจจัยม <death> ีสิบเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสิบอดวาระนิสยปัจจัยมีสิเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมี21ดวาระบรชาตปัจจัยมีห้าวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีห้าวาระอสิวนาปัจจัยมีสิบเจดวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชาณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีเจวาระมัคคะปัจจัยละถึงมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมี11บอดวาระวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระอาติปัจจัยมี17เจวาระนัติปัจจัยมี17เจวาระวิคตตปัจจัยมี1ิบเจดวาระ หาวิคตะปัจจัยมีส็บเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้ปัจญจิยานุโลมจบปัญหาวาระจบทัศเนนะปะหาตับพระเหตุกะตึกกะจบ ยาคามิติกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆาวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม ar. uh ่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานะรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุัุปใจได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นสา ir, yes. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตา yeah. ตารูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นอาศั <ใน S 2> <alongside S 1> ยขันสองหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสา ม, ม อาศัยมหาภูตารูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุ ป, ปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ Fitness, จุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ Fitness, และจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทาน st, รูปอาศัยข mm ันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะอารมะณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันอาศัยหะไทยวัตถุเกิดขึ้นอธิปติปัจใจห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีสามวาระ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 เพราะอัญญมัญญปัจจัยจิตตสมุทารูปประตตารูปและอุปาทายรูปไม่มีเพราะนิสยปัจจัยเพราะอุปานิสยปัจจัยเพราะปุเรชาตปัจจัยเพราะอาเซวนปัจจัยเพราะกรรมปัจจัยเพราะวิปากปัจจัยเพราะอาหารปัจจัยเพราะอินทริยปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคะปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัย เพราะอาธิปัจจัยเพราะนาิปัจจัยเพราะวิคตะปัจจัยเพราะอาวิคตะปัจจัย 1. ปัจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทนัย7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 อาวิคัตะปัจจัยในกล่าววาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปัจจะยปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุตุปัจจัยแปสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะนั่เหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉา และ ท, ที่สหรคตด้วย อ, อุทจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะน่ะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอเหตุุกะซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้น อาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นอหิโตกะหาทายวัตุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่อาอสัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปหนึ่งณอารมณะณปัจใจเก้ 9. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพาน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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะนารมณณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นส ม, มนุทฐานสำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะนะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตส ม, มุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะหน้าอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะหน้าอธิปฏิปัจจัยได้แก่อธิปฎิธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรม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 นอนันตรปัจจัยเป็นต้นสิอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะนอนันตรปัจจัยเพราะนสมณันตระปัจจัยเพราะนอัญญมัญญปัจจัยเพราะนอุปาเนสยปัจจัยเพราะนปุเรชาติปัจจัยมีเจดวาระเหมือนกับปุชละติกะเพราะนปัจฉาชาติปัจจัย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 และที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงาาปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะหน้าอสิวะณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและ lemons. อาศัยมหาภูติรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะหน้าอสิวะณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานะรูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นนักรรมะปัจจัยสิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิ <med David> ดขึ้นเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้น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 จุติและนิพานอาศัยขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งณวิปากับปัจจัย 14. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิ ส, ฏ ส, ส, Question สนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะณวิปากับปัจจัย เพิ่เพิ่มให้บริบูรณ์ไม่มีปฏิสนธิเพราะนาอาหารปัจใจเพราะนาอินทรียปัจใจเพราะนาชาณะปัจใจเพราะนามรคภาพปัดใจเพราะนาสัมปยุตตปัจัจเพราะนาวิปยุตตปัจัยมีสามวาระเพราะโนนติปัจใจเพราะโนวิคตะปัจใจสองปัจจะยะปัจเนยะสองสังคยาวาระสุทธนสิบห้า นเหตุปัจจัยมีสองวาระณอานอรมณปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยมีหกวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอาศุณะปัจจัยมีเจดวาระ นักธรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนัอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระนัอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนักชานะปัจจัยมีหน mm ึ hmm. ่งวาระนัมัครปัจจัยมีหนึ่งวาระนัสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนัวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ ปัจจ尼ยะจบสปัจญานุโลมปัจจ尼ยะเฮตุทุกนัย16บณอารมณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจใจละถึงมีหกวาระณอนันตระปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระณอุปาินจยปัจจัยมีห้าวาระ นภุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศุวรณปัจจัยมีเจดวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณจัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตติปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระพึงนับอย่างนี้ อนุโลมปัจญิยะจบสปัจญิยปัจนิยานุโลมนเหตุทุกขะในัย17อารามันปัจจใจคำนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระนิจยปัจจใจคำนะเหตุปัจจัยมีสองวาระ อุปาณิสยปัจจัยละถึงมีสองวาระปเรชาตาปัจจัยมีสองวาระอาเจวณะปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสองวาระอินทริยปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ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 ปัจญญาามิติฝะสปัจจญวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังฆาวาระเหตุปัจใจสิบแปดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามธรรมขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานะรูปทำขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทำสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีสามวาระ 19. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิ fold, จุติและนิพพาน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 สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานธรรมสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและธรรมะเทวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมขันธ์สองจิตตสมุทฐานรูป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 ที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันสองในปฏิสนธิขณะขัน store, ทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากโควิญญาณทำจากขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพานทำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 <unlucky. S 2> สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานธรรมสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานและธรรมหาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมขันธ์สองอธิปฏิปัจจัยยี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 ธรรมะทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่ไม uh ่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นแม้ในข้อนี้ขตนาก็เหมือนขเภตุปัจจัยอานันตระปัจจัยเป็นต้นยี่สิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ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 เพราะบุเรชาตปัจจัยเพราะอาเซวณะปัจจัยเพราะกรรมะปัจจัยเพราะวิปากะปัจจัยเพราะอาหาระปัจจัยเพราะอินทริยะปัจจัยเพราะชานะปัจจัยเพราะมัคคปัจจัยเพราะสัมปยุตตปัจจัยเพราะวิปยุตตปัจจัยเพราะอัติปัจัจเพราะนาฏิปัจัยเพราะวิคตาปัจจัยเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจญานุโลม สังคยาวาระสุทนัยยี่สห้าเฮตุปัจจัยมีสิบเจดวาระอารมณะปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยมีสิบเจดวาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยมีสิบเจดวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยมีสิบเจดวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระอาเสวรณปัจจัยมีเจดวาระกรมมปัจจัยมี17ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมี17ดวาระอินทรียปัจจัยมี17ดวาระชานะปัจจัยมี17ดวาระมัคคะปัจจัยมี17วาระสัมปยุตตปัจจัยมีเจวาระวิปยุตตาปัจจัยมี17ดวาระอัธิปัจจัยมี17ดวาระ นัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระพึงนับอย่างนี้อนุโลมจบสองปั จ, จยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังคาวาระนเหตุปัจจัยีย่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติธรรมสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉ า, า, า, จาและที่สหรคต้อุทจจะทำขันที่สหรฆด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคดอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธศศิจุติและนิพพานทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจจเพราะหน้าเหตุตปัจจัยได้แก่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 เรงไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานรำอทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทำสภาวธรมรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนัเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่โมหะที่สหัวรู้ด้วยวิจิกิจจาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาทรมภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติ ทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติและที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สหรคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคด้วยอุทจจะและทำหาหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นนอานอรมณะปัจจัยยี่สิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทำสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะณนะอารามณนะปัจจัยย่อเหมือนกับปฏิจัวาระ